ตอนที่14ี่โรงศพหลวงตำหนักโซ่หวงตั้งอยู่บนแนวแกนกลางของสวนหลวงในพระราชวังหวีการจะเดินทางจากพระราชวังหวีไปยังตำหนักโซ่หงนั้นจำต้องผ่านวังหลังไปยังประตูสเสวียนอู่จากนั้นเดินตามทางเสด็จก็จะสามารถมุ่งตรงไปยังกลุ่มอาคารดังกล่าวได้ทันทีในฐานะชูหลิงจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์แห่งต้าอวี๋หลังจากผัดเปลี่ยนฉลองพระองค์เรียบร้อยแล้วเขาก็ออกเดินทางจากตำหนักต้าซิงประทับเกี้ยวหลวงผ่านตำหนักเหลียงอีและตำหนักกระลุ่มุ่งหน้าไปยังประตูสเสวียนอู่ เมื่อขบวนเสด็จผ่านตําหนักเหลิ่งอีลีจงก็กระซิบทูลเตือนเบาๆว่าฮองเฮาได้ย้ายออกจากตําหนักเหลี่ยงอีไปประทับ ท, ที่ตําหนักช้างเล่อแล้วเมื่อชูหลิงได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักตําหนักต้าสิงคือที่บรรทมของจักรพรรดิส่วนตําหนักเหลิ่งอีคือที่ประทับของหองเฮาแม้ต้าสิงห้องตีจะเสด็จสวรรคตไปแล้วและเขาได้ขึ้นเป็นจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ทว่าเขายังยาววัยนักยังห่างไกลาจากพิธีสวมหมวกบรรลุนิติภาวะ ดังนั้นการแต่งตั้งฮองเฮาหรือการรับสนมจึงยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันในช่วงเวลานี้พี่สะใยของเขายังคงสามารถประทับอยู่ในตำแหนักเลงอีต่อไปได้ทว่าพี่สะใยผู้นี้กลับย้ายออกจากตำแหนักเลงอีไปยังตำแหนักชางเล่อตั้งแต่วันที่3หลังต้าสิงห้วงตีสุนคัดเรื่องนี้ทําให้ชูหลิงรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลหลี่จงเจิ้นต้องรอสารโฮที่ประตูสเสวียนอู่หรือไม่ชูหลิงที่ประทับอยู่บนเกี้ยวหลวงเอ่ยถามหลี่จงที่เดินตามเสด็จเมื่อเขามองเห็นหอประตูเมืองอันโออ่าอยู่รำไร ทุ่นจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์มีความจําเป็นต้องรอพยาคะ่ะหลี่จงฟังแล้วก้องสีสลงทูลว่าจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์เสเด็จไปยังตำหนักโซ่หวงได้เลยพยะค่ะเกียวหงของซานโฮเสเด็จถึงตำหนักโซ่หงเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆชูหลิงได้ยินเช่นนั้นก็อดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจลึกอยู่ในอกตัวเขาที่เป็นจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์แห่งต้าวิผู้นี้แท้จริงแล้วก็เป็นเทียงหุ่นเชิดที่ถูกผลักดันขึ้นมาอย่างกระทันหันเท่านั้นไม่มีใครสนใจหรอกว่่าาาเขาจะคิดอยงไร หากในใจไม่มีความคาดหวังย่อมไม่มีความผิดหวังชูหลิงรู้ซึ้งถึงฐานะของตนเองมาตั้งแต่ต้นดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะวางอำนาจบาดใหญ่ในฐานะจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์เพราะหากทำเช่นนั้นจริงเกรงว่าแม้แต่จะตายอย่างไรเขาก็อาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำในฐานะโอรสที่เกิดจากสนมของจักรพรรดิเวินไทจงก่อนหน้านี้เขาไม่เคยได้รับความสำคัญหากไม่ใช่เพราะจักรพรรดิองค์ใหม่สุนคตอย่างกระฐานันบาลังอันสูงสุดนี้ย่อมไม่มีทางตกมาถึงมือเขาอย่างแน่นอน ขบวนเสด็จยังคงมุ่งหน้าต่อไปตลอดเส้นทางจากประตูสเสวียนอูมุ่งสู่ตำหนักโซ่หวหงในสวนหลวงพระราชวังวัดหวีชูหลิงไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรอีกเขาเข้าใจดีถึงหลักการที่ว่าพูดมากย่อมเสียการยิ่งไปกว่านั้นร่างกายนี้ยังเยาว์นักชูหลิงไม่อาจแสดงท่าทีที่พิเศษเกินไปได้การนิ่งเงียบจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด กลับไปหลี่จงเสียอีกที่คอยรายงานสถานการณ์ต่า ง, างๆให้ชูหลิงทราบขณะขบวนเสด็จมุ่งหน้าไปยังตำหนักโซ่หงเช่นเรื่องที่บรรดาพระประยุทธ์ญาติและเหล่าขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบู๊ได้มารวมตัวกันที่ประตูจูเชวะตั้งแต่ยามอินห้าเคอร์ประมาณ4ี่นาฬิกาสินาทีและเริ่มออกเดินทางไปยังประตูฟังหลินในยามเมาห้านาฬิกาซึ่งในตอนนั้นชูหลิงเพิ่งจะตื่นจากบรรทมเมื่อได้ฟังหลี่จงเล่าเรื่องเหล่านี้ชูหลิงก็รู้สึกสะท้อนใจไม่น้อย เหล่าพระประยุทธ์ญาติและขุนนางในศูนย์กลางอํานาจของราชวงศ์อวี๋เหล่านี้แม้จะมีสิทธิพิเศษและกลุ่มอํานาจอยู่ในมือก็จริงแต่พวกเขาก็ต้องสูญเสียบางอย่างไปเช่นกันตัวอย่างเช่นความเป็นอิสระที่จะทําตามใจตนเองไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองรูปแบบใดและไม่ว่าจะอยู่ในช่วงต้นช่วงกลางหรือช่วงปลายของการปกครองกลไกาการคานอํานาจที่มองไม่เห็นย่อมทํางานอยู่เสมอมันขึ้นอยู่กับว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ควบคุมระบบนี้อย่างแท้จริง สำหรับราชวงศ์อวีนียามนี้แม้ชูหลิงจะมีฐานะสูงส่งเป็นถึงจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์แต่เขาไม่มีอำนาจในการควบคุมหากมองจากสถานการณ์ปัจจุบันผู้ที่กลุมอำนาจควบคุมที่แท้จริงคือซานโฮส่วนใครจะมีอำนาจเหนือกว่าใครนั้นชูหลิงยังไม่อาจทราบแน่ชัดการไรา้ล้อมของซานโฮคั่วอำนาจต่างๆและกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆได้ก่อตัวขึ้นเป็นระบบการอำนาจที่ละเอียดอ่อนของราชวงศ์อวีในปัจจุบัน ชูหลิงเป็นหุ่นเชิดก็จริงและอาจจะดูเหมือนมีหรือไม่มีก็ได้ทว่าในระบบคารอำนาจที่ละเอียดอ่อนนี้กลับขาดเขาไปไม่ได้พระราชวงศ์อวีจะขาดจักรพรรดิไปไม่ได้เด็ดขาดหากไม่มีจักรพรรดิราชวงศ์อวียังจะใช่ราชวงศ์อวีอยู่อีกหรือดังนั้นสิ่งที่ชูหลิงต้องทำในตอนนี้คือการอดทนหาทางค่อยๆพาตัวเองออกจากศูนย์กลางของวงวนนี้และเริ่มกลุ่มความได้เปรียบให้ได้เสียก่อนเรื่องอำนาจนั้นยังไม่ต้องคิดถึงในตอนนี้แต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องกลุมอิสรภาพไว้ในมือให้ได้บ้าง หากต้องถูกทุกฝ่ายจับตามองอยู่ตลอดเวลาจนทําอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่รอชูหลิงอยู่ก็มีเพียงการเป็นหุ่นเชิดไปตลอดชีวิตไม่ก็ต้องออกจากเวทีไปกลางคันหรือกลายเป็นจักรพรรดิที่ถูกถอดถอนการเป็นหุ่นเชิดไปตลอดชีวิตนั้นในสายตาของชูหลิงมันดูไม่สมจริงและเป็นไปได้ยากเพราะหากซานโฮคนใดคนหนึ่งเกิดปัญหาหรือล่วงละไปะย่อมต้องทําลายสมดุลที่ละเอียดอ่อนนี้ลงอย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นความวุ่นวายย่อมเกิดขึ้น ดังนั้นชูหลิงที่ดูเหมือนจะมีทางเลือกแท้จริงแล้วกลับไม่มีทางเลือกเลยไม่ว่าจะกลุมอํานาจหรือต้องจากไปมันไม่มีทางเลือกที่สามอีกแล้วเส้นทางระหว่างความเป็นและความตายได้วางอยู่ตรงหน้าชูหลิงตั้งแต่วินาทีที่เขาได้เป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์แล้วเสียงเพลงไว้อะไรดังก้องไปทั่วบริเวณลานกว้างหน้าตําหนักโซ่หงหนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนพวกเขาเข้าแถวเรียงตามลําดับสวมใส่เครื่องแต่งกายหลากหลายรูปแบบแต่ทุกคนล้วนสวมชุดไวทุกผ้าป่านสีขาวเหมือนกันหมด บรรยากาศที่นี่ช่างกดดันและหนักอึ้งยิ่งนักทว่าวเสียงสุบสิบเบาๆท่ามกลางฝูงชนกลับไม่เคยหยุดนิ่งนี่ก็ใกล้จะเข้ายามเชิญแล้วเกี้ยวหงของซานโฮต่างก็เสด็จถึงตําหนักโซ่หงกันหมดแล้วเหตุใดขบวนเสด็จของจักรพัทผู้สื่อราชสันติวงศ์จึงยังมาไม่ถึงอีกเกรงว่าคงจะบันทมเพลินไปกระมังก็จักรพัทผู้สื่อพระราชสันติวงศ์เพิ่งจะแปดชั้นสาเด็กตัวแค่นี้ก็ย่อมต้องการการพักผ่อนมากเป็นธรรมดา ราชวงศ์เรายิดถือระบบสืบทอดโดยบุตรภรรยาเอกเป็นหลักต่อให้ต้าสิงฮ่องเต้จะไรโอรสสืบสันติวงศ์ก็ควรยึดตามหลักการตั้งผู้ที่มีอวุโสสูงสุดสิินในบรรดาโอรสที่เกิดจากสนมของจักรพรรดิเหวินไทจงก็มีโอรสองโตอยู่นี่นาเหตุใดสุดท้ายถึงได้สถาปนาจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์องค์นี้ขึ้นมาได้ นั้นสิต่อให้ไม่เลือกจากสายของจักรพรรดิเวิรนที่จงจักรพรรดิที่จูกเกาก็ยังมีโอรสสายตรงอยู่อีกตั้งหลายพระองค์ตอนนี้ระบบสืบทอดโดยบุตรภรรยาเอกถูกก้าวล่วงแล้วอ้างว่าเป็นการตั้งผู้มีความสามารถแทนหืต่อให้เป็นการตั้งผู้มีความสามารถจริงก็ควรจะมีการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมในราชสำนักสิเกรงว่าตําหนักโซ่ห่วงหลังจากนี้คงจะไม่สงบสุขแน่พวกท่านดูคนเหล่านั้นสิแต่ละคนล้วนเก็บกดความไม่พอใจเอาไว้ทั้งนั้นเฮิรต่อไปราชสำนักคงจะวุ่นวายหน้าดู ดูถ้าว่าในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาภายในราชสำนักฝ่ายนิคงจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นไม่น้อยมิเช่นนั้นคงไม่รีบร้อนสถาปนาเด็กน้อยคนหนึ่งขึ้นเป็นจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์เช่นนี้หรอกเอาเถอะพูดให้น้อยลงหน่อยเถิดผู้ที่เดินทางมาไว้อะไรหน้าลงศพลวงของต้าสิงห้องตีนะ้ำตำหนักโซ่หงล้วนเป็นพระประยุท ญ, ญาติและขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบูของราชวงศ์อวีซึ่งต่างก็มีอำนาจและฐานะในระดับหนึ่งคนมากความคิดก็ย่อมมากตาม ภายใต้เสียงเพลงไว้อะไรที่ดังต่อเนื่องผู้คนที่รวมตัวกันอยู่ด้านนอกตําหนักโซ่หงแม้จะยืนประจําตําแหน่งของตนเองแต่หลายคนกลับประสิบระ a s a f กันอย่างไม่ขาดสายส่วนคําพูดเหล่านั้นคําไหนมาจากใจจริงคําไหนจงใจพูดออกมาเกรงว่าจะมีเพียงเจ้าตัวเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดทว่าในแถวหน้าสุดของฝูงชนคนเหล่านั้นกลับพากันนิ่งเงียบเปล่ากับว่าเสียงสุบซิบที่ดังอยู่เบื้องหลังนั้นพวกเขาไม่ได้ยินเลยแม้แต่น้อยจักรพัฒน์ผู้สื่อพระราชสันติวงศเสด็จ ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้เมื่อเสียงประกาศดังกังวานขึ้นเสียงเพลงไว้อะไรก็หยุดลงเสียงซุบซิบหายไปขบวนเสด็จอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรก็เคลื่อนเข้ามาชูหลิงที่ประทับอยู่บนเกี้ยวหลวงมองตรงไปข้างหน้าโดยไม่วกแวกฝูงชนเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านผู้คนที่อยู่ทั้งสองข้างทางต่างพากันคุกเข่าลงกับพื้นฝูงชนที่หมอกกราบดูราวกับระลอกคลื่นที่พลิวไหวท่ามกลางคนเหล่านี้ชูหลิงมองเห็นสีหน้าของใครบางคนได้อย่างชัดเจน การเป็นจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์นี้ช่างทำได้ยากยิ่งนักชูหลิงที่ผ่านโลกมามากมีหรือจะไม่เข้าใจความหมายในแววตาของคนเหล่านั้นแม้มันจะปรากฏขึ้นเพียงชั่ววูบแต่เขาก็เห็นมันอย่างขนาดตาเกรงว่าไม่ใช่แค่สารโห้ที่มองเขาเป็นหุ่นเชิดแม้แต่ในหมู่ขุนนางระดับสูงของราชวงศ์อวหลายคนก็คงรู้ดีว่าเขาถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหุ่นเชิดเท่านั้นหมากกระดานนี้ช่างแก้ได้ยากเย็นเหลือเกิน ชูหลิงที่เพิ่งมาถึงตำหนักโซ่หงแม้จะยังไม่ได้เข้าไปเคารพลงศหลวงของต้าสิงห้องตีเพียงแค่เห็นฝูงชนที่รวมตัวกันอยู่นอกตำหนักเขาก็รู้แล้วว่าหมากที่เขาต้องการจะแก้นั้นมันยากลำบากเพียงใด